ผลของการช่วยบูรณะพุทธคยาถามได้มีโอกาสไปกราบพระซึ่งท่านทราบว่าดิฉันทำงานเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายในท่านก็เปรยว่าอยากจะจ้างให้ร่วมด้วยช่วยซ่อมเจดีพุทธคยาคือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ดิฉันเห็นเป็นงานบุญใหญ่ รู้สึกอยากทำมากมากก็เลยกราบเรียนท่านไปว่าไม่รับเงินรอกเจ้าคะ่ะท่านเลยชวนให้บินไปอินเดียกับท่านพร้อมญาติโยมอยากถามเป็นความรู้ไว้ว่าหากได้มีส่วนร่วมทำแบบสร้างพระเจเดียพุทธคยานี้จะได้อนิสงสปรการใดบ้างตอบ คามที่มีส่วนร่วมสร้างหรือบูรณะทาวรวัตถุอันเป็นเครื่องระลึกถึงพระรัตนตรัยนั้นประมาณไม่ได้หรอกครับว่าเท่านั้นเท่านี้ยิ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธอย่างพุทธคยาผลยิ่งอเนกอันนันโดยเฉพาะคนที่มีส่วนร่วมสำคัญสำคัญเพราะไม่ใช่ใครๆก็ทำได้แต่จะเป็นประเภทหนึ่งในล้านที่มีโอกาสทำ ผลจึงทำให้เป็นผู้มีอ น, นิสงฆ์ไพศาลชนิดหนึ่งในล้านเช่นกันมีโอกาสทองอย่างนี้ก็อย่าช้าเลยครับจะกล่าวพอสังเขปถึงผลอันเป็นปัจจุบันและอนาคตสักเล็กน้อยพอเป็นกำลังใจสิ่งที่ใจคุณตั้งไว้นี้เป็นทานเพราะไม่อยากรับเงินค่าจ้างแต่ขึ้นต้นด้วยความอยากทำมากมาก เนื่องจากเห็นว่าเป็นงานบุญใหญ่อันน่าปลืม้มผลของท่านอันเกี่ยวเนื่องกับการตกแต่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยอมให้ผลอันดับแรกเป็นจิตใจที่ผ่องใส ย, ยิ่งต่อให้ประสบชะตากรรมทำให้ชีวิตตกต่าลงก็ยากที่จะฉุดดึงจิตของคุณให้ตกต่ำลงไปแบบสุดๆเพราะเพียงระลึกถึงบุญใหญ่เห็นปานี้ทีไรใจคุณจะเกิดปิติว่า ชีวิตนี้ได้ทำสิ่งดีงามครั้งใหญ่ไว้แล้วน่าสบายใจแล้วคุ้มกับการมีชีวิตทั้งชีวิตแล้ววิธีคิดออกแบบวิธีตกแต่งวิธีประดิษฐ์ประดอยวิธีใช้ความรู้ความสามารถทั้งหมดทุ่มให้กับงานออกแบบเพื่อความวิจิตรอลังการแห่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะให้ผลชัดเจนเป็นรูปลักษณ์ที่งามชวนตะลึงในชาติถัดๆไป แถมให้ผลยาวกับทั้งมีกำลังหนักแน่นชนะการให้ผลของอากุศลอื่นๆโดยมากการคิดในแว็บแรกว่าจะไม่เอาเงินเท่ากับการฝากเงินก้อนใหญ่ไว้กับธรรมชาติอาจเป็นชาตินี้หรือชาติหน้าธรรมชาติจะให้คืนทั้งต้นทั้งดอกแบบฝนตกใหญ่ติดต่อกันทุกวันทุกคืนแบบไม่ลืมหูลืมตา และธรรมชาติของเจตนาอันเป็นมหากุศลก็มักใจดีกว่าธนาคารของชาวโลกมากสมมุติว่าคุณควรได้ข้าแรงครั้งนี้หนึ่งแสนคุณบอกไม่เอาจะเอาบุญบุญหนึ่งแสนนั้นไม่ใช่คูณด้วย 1% เปอร์เซ์หรือ 7% ็เปอร์เซนต่อปีแต่จะคูณทั้งทีด้วยดวงมหาปีติที่เกิดขึ้นอย่างใหญ่หลวงขนาดตั้งใจทำด้วยความบริสุทธิ์และคูณทบเข้าไปอีกทุกครั้ง ที่ระลึกถึงด้วยมหาปีติคำนวณออกมาอาจหมายถึงคูณด้วยหมื่นด้วยแสนหรือด้วยล้านพูดง่ายๆแบบไม่ต้องคิดมากคือชาติต่อไปไม่เหลือบา ก, ก่าแรงที่คุณจะมีสิทธิ์เป็เปนลูกเศรษฐีหมื่นล้านหรือไม่ก็มีสิทธิ์ทำเงินพันล้านในเวลาอันรวดเร็วเนื่องจากเจตนาตั้งต้นตัดสินใจไม่รับเงินทันทีเวลาให้ผลจึงเร็ว และเกิดขึ้นในต้นวัยมากกว่าจะต้องรอรวยตอนแก่สุดท้ายอ น, นิสงส์อเนือความมีรูปงามเลอโฉมและความมั่งคั่งในทรัพย์สินสรดึงครานหากคุณทำงานเต็มกำลังจากต้นจนจบโดยไม่ท้อแท้ผลจะเป็นความมีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าที่แน่วแน่มั่นคงไม่มีสิ่งใดมาทำให้คลอนแคลนง่ายๆ พุทธคยาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับการตรัสสรู้เคยเป็นตำแหน่งสำคัญที่สุดที่เกิดความพลุ่งพล่งไพรโรดแห่งมรรคผลเป็นครั้งแรกในโลกใครได้มากราบสักการะย่อมบันดาลมหาปีติเกิดความเลื่อมใสศรัทธานในการตรัสสรู้แห่งพระพุทธองค์ฉะนั้นงานบุรณะย่อมมีส่วนให้คุณเกิดความอิ่มใจ เกิดความอาจหาในการประพฤติรมเพื <S an> ่อมรักเพื่อผลไม่อาจมีใครมาชวนให้ออกนอกทางหรือแม้ไขว้แขวเสียเวลาไปสู่ทิิที่ผิดพูดง่ายๆคือถ้าตั้งใจปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นในชาติปัจจุบันก็จะพบครูบาอาจารย์ที่แนะนำทางตรงและมีกำลังมากพอที่จะเพียรจนสมรรจธรรมดับทุกได้ทันก่อนตาย แต่หากยังยินดีในพบยังปรารถนาในการเที่ยวเพลินเสพสุขไม่ว่าจะไปเป็นนางฟ้าหรือกลับมาเป็นมนุษย์เจอครูบาอาจารย์คนแรกจะเป็นสัมาทิฐิเสมอให้กำลังใจให้เกิดความอาจหาในการทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งเสมอไม่หลงไปเจอพวกชักนำให้เกิดความเห็นผิดเกี่ยวกับมรรคผลนิพพานไม่หลงไปเข้าพวกศึกษาธรรมะเนื่นช้าผ่าเดินทางอ้อม หรือบันฑรกำลังใจด้วยถ้อยคำประเภทฌานและมรรคผลเป็นเรื่องล้าสมัยไม่มีใครทำได้อีกแล้วย้ำว่าที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงอนิสงส์โดยสังเขปอันที่จริงคุณจะตั้งปรารถนาอะไรก็สเร็จได้ตามนั้นซึ่งผมก็ไม่เห็นอะไรอื่นจะดีไปกว่าการปรารถนาได้เป็นผู้พบทางอันตรงต่อนิพพาน เนื่องจากพุทธคยาเป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งการตรัสรู้โดยตรงครับ